อันดับตอนนี้ไป <c oughs> ให้พากันตั้งใจตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจภาวนาตุกคนเพราะใจเรามันเป็นของที่ทำเลยยากคนเรามันมีความกังวลอยู่ในตัวแต่ละคนละคนนั้น ไม่มีอะไรที่จะไปแก้ไขมันได้มันก็กังวลอยู่ตลอดแล้วแต่เหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นก็ทำให้มันกังวลมันก็กังวลในสมบัตินี่อันหนึ่งมันก็กังวลในบริวารนี่อันหนึ่งมันเป็นปริโภู์กังวล คือกังวลในบริษัทกังวลในบริวารแล้วก็กังวลในสมบัติประเสรฐานของตัวเองนั่นแหละที่นี่จะหาความสงบคือความสมุขในตัวเองมันยากถึงเราจะได้สมบัติตามความประสงค์ของตัวเองก็ตาม เราคิดว่าสมบัตินั้นะจะนำความสุขมาให้มันก็หาไม่กลับมาเป็นสิ่งที่จะทําความกังวลให้เราอีกครั้งกลัวมสมบัตินั้นมันจะหายกลัวมสมบัตินั้นมันจะเสื่อมสูญไปกลัวมสมบัตินั้นมันจะวิบัติไปหรือว่ากลัวเราจะวิบัติจากสมบัตินั้นไป มันก็กังวลอยู่นั่นนะแม้แต่บริวารเราก็ยุ่งกับบริวารกังวลกับบริวารจะทำอะไรกลัวแต่จะไม่ดีหรือจะทำอะไรกลัวจะไม่ถูกใจเขาเขาก็ไม่ถูกใจเราเราก็ไม่ถูกใจเขามันก็กังวล น, นะก็เพราะมันมีเรื่องเกิดขึ้น ในวงการบริษัทบริวาร น, นั้นด้วยมันก็เป็นเรื่องที่จะให้เรากังวลทางนั้นแนะ่ะที่นี่เราก็แก้ปัญหาด้วยสุปฏิปันโนเราเอาทำคำสอนขององคุทธเจ้านะมาปฏิบัติดีให้มันหายกังวล เราอย่าไปยุ่งกับสิ่งดังที่กล่าวมานั้นน่ะเราจะหวังพึ่งใครเราก็หวังพึ่งพระพุทธเจ้านะนี่ทางหัวใจนะส่วนภายนอกเราก็พึ่งสมบัติส่วนภายในเราพึ่งพระพุทธเจ้าแล้วพึ่งพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้า เราเอาสุปฏิปันโนคือปฏิบัติดีการปฏิบัติเราก็ไม่ได้ทำอะไรแ็เราก็น b b ั mm er er ่งอยู่เฉยๆไปลงแรงอะไรที่ไหน่ะก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ลงรับพักลงแรงอะไรเราก็อยู่ของเราเฉยๆความอยู่เฉยๆนี่เหนีอกว่าปฏิบัติ นั่งอยู่เฉยๆเนี่ยนั่งดูลมตัวเองน่ะ น, นั่งกำหนดลมตัวเองน่ะกำหนดเข้าไปข้างในน่ะนะเวลาหายใจเข้าหายใจออกเราก็ตรงเข้าไปน่ะตรงเข้าไปข้างในน่ะเรียกว่าอดชุปฏิปโนโนท ก็เป็นผู้ปฏิบัติตรงก็ตรงเข้าไปใช่นะตรงเข้าไประงับความกังวลมันจะกังวลชนิดไหนก็ตามมันจะปุ่งซ่านชนิดไหนก็ตามมันจะวุ่นวายชนิดไหนก็ตามเราตรงเข้าไปอย่านำความอยากไปให้เขา ไปถอนความอยากนั้นออกไประงับความอยากนั้นไวนะ้ให้มันมีแต่ความไม่ยากนะความเฉยๆเข้าไปนะด้วยความเป็นผู้ปฏิบัติดีเข้าไปนะและปฏิบัติตรงเข้าไปนะเข้าไปก็เพื่อความเป็นธรรมนะไม่ใช่ว่าเข้าไปหาอะไรนะเข้าไปหาธรรมะ ที่ว่าธรรมะอยู่ที่ใจนะ่รร 80, 40, รระทำแปดหมื่นสี่พันพอทำมาขันอยู่ที่ใจนะเราก็ตรงเข้าไปนะั่นแหะพอตรงเข้าไปแล้วนะ่ะก็ไปเจอธรรมะก็คือเจอความสงบนะั่นแหะก็ได้ใจความสงบนะั่นแหะก็เป็นยายยะเป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรม ก็ธรรมะมันก็อยู่ตรงนั้นนะเมื่อเราปฏิบัติเป็นธรรมและเราก็ได้ธรรมะหรือว่ายายะปฏิปนโนเมื่อได้ธรรมะแล้วผลของธรรมะที่มันจะเกิดขึ้นมันก็เป็นสามีกิปฏิปนโนเราตรงเข้าไปนี่ละ่ะเรารักษาอยู่นี่ละ่ะ การปฏิบัติมันไม่ได้ไปทำอะไรมากนะมีแต่นั่งเท่านั้นมานั่งกำหนดหัวใจตัวเองเท่านั้นมานั่งหาหัวใจตัวเองเท่านั้นมานั่งรู้หัวใจตัวเองเท่านั้นไม่ได้ไปหาอะไรนะหาธรรมะเราฟังธรรมะก็คือฟังเทศ ฟังเทศก็คือคำพูดนะคำพูดก็คือนำอธรรมะของพระพุทธเจ้าเนะีมาพูดให้ฟังต่อเพื่อเราผู้ฟังนั้นจะได้ปฏิบัติตามและจะได้กำหนดตามตเราพอกำหนดตามเข้าไปเนะนะี่ยส่วนภายนอกนะเราก็อย่าไปกังวลมันมากนะักในขณะที่เรานั่ง เรากำหนดให้มันสงบซะ ก, ก่อนน ะ, นะความรู้ในความสงบนั้นน่ะมันจะเป็นประโยชน์อย่างไรและมันจะมีอะไรเกิดขึ้นให้เรารู้เลยหรือไม่ในขณะที่มันมีความสงบนั้ น, นเราจะต้องทดสอบดูสิเราจะไปเข้าใจว่ามันสงบแล้วมันจะไม่ได้อะไรและมันจะไม่รู้อะไร ก็โดยมากก็มักจะเข้าใจกันไปทานองนั้นที่นี่เราลองสงบดูสิแล้วมันความสงบนั้นมันจะมีอะไรแต่ให้มันสงบไปทุกครั้งนะแต่ละครั้งมันจะมีอะไรรู้ขึ้นมาครั้งนี้มันรู้อย่างนี้ขึ้นมาครั้งต่อไปและมันจะรู้อะไรเราก็ทำให้มันสงบไปเรื่อยๆสิ บางคน่ะสงบข้างเดียวก็จะให้มันรู้ไปหมดอะไรอะไรก็จะให้มันเกิดไปหมดจะให้มันเป็นไปหมดเหมือนกับตัวเองที่จะรับรองความสําเร็จในเมื่อมันจะสําเร็จมาจริงๆนะ่ะเราจะรับรองหรือไมนะ่เราไม่ได้คิดไปในทํานองนั้นสิเราคิดแต่ว่าอยากจะให้มันรู้หมดนะแต่รู้หมดมันก็สําเร็จหมด คำว่ามันสำเร็จล้วจะทำยังไง่ะความสำเร็จมันจะไปอยู่กับชาวโลกเขาได้หรอก็ตัวเองก็หาในจิตม่เราเอาแต่ความงออสงบสําลองจิตสําลองใจของเราไปก่อนเถอะมันเป็นพื้นฐานไม่สักก่อนพื้นฐานความเป็นอยู่ของเราซึ่งเราจะอยู่ต่อไปพอที่จะให้เราเป็นสุขประจาวัน พอมันจะได้หายกังวลบ้างมันจะได้หายความวุ่นวายบ้างแล้วมันจะมีความสุขกับตัวเองบ้างเราก็เอาเพียงแค่นี้ก่อนเป็นสุปฏิปโ น, โนไปก่อนคือเราปฏิบัติดีของเราไปก่อนเราก็เป็นผู้มีสติควบคุมดูแลกายวาจาของตัวเองให้ปราศจากโรคปราศจากโทษ ก็น an ั่น so, น ah e. so, ่ะเป็นผู้ปฏิบัติดีก็ปฏิบัติอยู่ในองค์ศีลนั่นแหละก็ศีลนั่นเนี่ยปฏิบัติกายวาจใจเรียบร้อยให้ปราศจากโทษมันก็เป็นศีลในตัวเนี่ยแล้วมันก็เป็นธรรมะไปในตัวนะนะรักษาศีลก็เหมือนกับปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับรักษาศีลนนะแล้วก็คิดให้มัน เข้าใจให้มันสอดคล้องกันบ้างสินก็คิดว่าจะเป็นแต่สินทำก็เป็นแต่ทำมันก็ไม่ใช่ของที่มันเนื่องถึงกันอยู่แล้วของที่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วเราไม่ต้องไปคิดแยกอะไรให้มันมากภายในหัวใจนัรวมเข้ามาเป็นสามัคคีเป็นอันเดียว ทำยังไงมันจะเป็นอันเดียวได้นะเดี๋ยวนี้เราจะหาหนึ่งหาหนึ่งในหัวใจนะหาหัวใจให้มันเป็นหนึ่งเดี๋ยวนี้มันหัวใจไม่รู้ว่ามันจี่จี่หัวใจน่ะมันจี่ความคิดมันสารพัดสารเพแต่มันจะคิดไปน่ะเราจะมาทําให้มันเป็นหนึ่งเท่านั้นนะมันก็ทําไม่ได้ พอทามันเป็นหนึ่งได้นะ่ะมันจะเป็นอะไรความรู้ในใจนะ่ะที่ใจมันเป็นหนึ่งนะ่ะมันจะมีอะไรให้รู้ไหมนะ่ะก็ลองดูสิสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันนะ่ะก็เพราะใจมันเป็นหนึ่ง อันนี้พระพุทธเจ้าได้ทำมาแล้วนะพระองค์ได้ทำมาตั้งแต่สมัยพระองค์ที่ตัดสูนะ้หรือว่ากำลังตัดสูนะ้ก็นในคืนวันเพ็ญเดือนหกกนะ็พระองค์ก็ได้นั่งขัดสมาธินะแล้วมากำหนดจิตของพระองคนะ์แล้วให้จิตของพระองค์มีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิ ทำใจของพระองค์ให้เป็นหนึ่งเมื่อใจของพระองค์เป็นหนึ่งอะไรมันเกิดจากความเป็นหนึ่งของใจก็ยา น, น, า น, นทั้งสามไม่ใช่หรือกุเพนิวาสานุสติยานความระลรกชาติได้จูตูปัจญานรู้จักจุติของสัตว์ได้อาสวะคคายานรู้ความสิ้นไปแห่งจิเลตของตัวเอง ก็เพราะใจมันเป็นหนึ่งไม่ใช่หรือเพราะหนึ่งในใจไม่ใช่หรือแต่เราก็คิดให้ดีนะที่นี้มันก็ไม่ใช่มีเฉพาะยานสามเท่านี้ยานอย่างอื่นอีกนะในญานในปุเพณิวาสานุสติยานเนี่ยก็มาเทียบกับอตีตังสยานนี่แหละก็ยานในอดีต ที่นส่วนที่เป็นอนาคตเรียกว่าอนาคตตังสยานกยานในอนาคตปัจจุบันนังสยานกยานในปัจจุบันก็รู้ในปัจจุบันนก็รู้จักความเป็นหนึ่งนั่นะไม่ใช่ว่ารู้โดยความบุ่นวายพระองค์ไม่ได้ตรัสรู้โดยความบุ่นวาย พระอาหารหันต์ที่ได้สำเร็จเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาเนะ่ก็ไม่ใชนะ่สำเร็จด้วยความวนะุ่นวายสำเร็จด้วยความสงบคุณค่าของความสงบนีนะ้เหลือที่จะพันรนานะพิจารณาให้ดีนะพวกเรานะสงบตั้งแต่เบื้องต้นจนตลอดถึงวันปลายนะ จนตลอดถึงความสําเร็จนั่ะคือบ้นปลายเบื้องต้นก็ยังความสุขให้เราเนี่ยให้เรามีความสุขสุกกายสบายจิตเนี่ยสุกจิตสบายกายก็ทําจิตของเราให้สงบสุขดูสิก็ไม่ได้ไปทําอะไรน่ะที่ว่าทำจิตให้เป็นสุข ทำจิตให้สงบไม่ได้ทำอะไรเดินก็ไม่ได้เดินยืนก็ไม่ได้ดยืนนี่แต่นั่นงนั่งฟังแล้วก็กำหนดจิตเราตามไปด้วยนะตามไปไหนนะก็ตามเข้าไปข้างในถงตัวเองนั่นนะไม่ให้ตามออกมานอกไม่ให้ตามมาหาคาพูดที่พูดอยู่นี่นะ ให้ตามเข้าไปข้างในตามเข้าไปหาความเป็นหนึ่งตามเข้าไปหาหนึ่งในหัวใจทาใจให้เป็นหนึ่งว่ะถ้าเป็นหนึ่งได้นะ่ะมันได้หมดนะเราคิดให้ดีนะไม่ต้องไปกังวลหรอกว่าจะได้บรรลุตรงนั้นจะได้ธรรมะตรงนี้สถานที่ด้านสถานที่นี่ ก็อย่าไปคิดถึงจะบรรลุจริงๆถึงจะสาเร็จจริงๆนะความสาเร็จจริงๆมันไม่ใช่ไปสาเร็จภายนอกแล้วก็สาเร็จอยู่ในตัวของตัวเองนะแต่จะไปชาติไหนก็ตามพบไหนก็ตามถ้าชาตินี้ยังไม่สาเร็จในตัวเองนยแต่ก็เป็นบา ร, รมีต่อไป ก่อนที่มันจะสำเร็จในชาติไหนก็ตามชาติข้างหน้าจะเป็นสิบชาติก็ตามเจ็ดชาติก็ตามสามชาติก็ตามหนึ่งชาติก็ตามมันก็สำเร็จอยู่ภายในนั่นมันไม่ใช่ว่าทำสำเร็จนะไม่ใช่ป่าสำเร็จป่ามันสำเร็จเอาไวท้ทามันสำเร็จอรหันเอาไว้ เมื่อใครคนใดคนหนึ่งคนหนึ่งเดินผ่านไปคนนั้นก็สําเร็จตามถ้ำก็ดีหรือตามป่าก็ดีก็มันไม่มีนะ่ะมันเป็นไปไม่ได้แต่ความสําเร็จนั้นนะ่มันอยู่ที่เราถึงแม้จะไปอยู่ในป่าในถ้าก็ตามเวลาสําเร็จไม่ใช่ทาสําเร็จ เวลาสำเร็จไม่ใช่ป่าสำเร็จความสำเร็จนั้นะมันอยู่กับตัวเราตัวของตัวเองเนี่ยที่ไหเราจะสำเร็จ ท, ที่ไหนมันก็ได้ที่นะไม่จำกัดเฉพาะแต่ในถ้ำมันอยู่ที่ตัวเองเน่นะจะไปกจะไปจำกัดอยู่ในถ้ำได้อย่างไรใครจะเอาถ้ำที่ไหนมาให้คนสำเร็จมากจเจ้าป่าที่ไหนให้คนสำเร็จมาก มันก็เป็นไปแต่ยกอย่างพระพุทธเจ้าออกประกาศพระศาสนานะพระองค์ไปประกาศในถ้ำเนือพระองค์ก็ไม่ได้ไปประกาศในถ้ำพระองค์ก็ไปประกาศครั้งแรกในโยปาอิสิปตนะมรุกขายวันนะแห่งเมืองพระราสีนะมันก็เป็นแต่เพียงว่าป่า ป่าก็คงจะไม่ลกเท่าไหร่นะก็เป็นแต่เพียงว่าธรรมชาติแล้วพระองค์ก็ทรงสอนก็นลนะ้วสอนแล้วก็ไม่ใช่ว่าป่านั้นจะทําความสมําเร็จให้แก่อัญญาโกลธรรนะัญญาอัญญาโกลธัญญาได้มาพิจารณาไปตามกระแสธํามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพิจารณาไปแล้วก็เกิดญาณปัญญาขึ้น แล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมก็คือได้ปัญญายานขึ้นมาน่ยนะสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลก็ร่วมดับเป็นธรรมดาก็เท่านั้นนะปัญญาพระพุทธเจ้าก็ยังรับรองว่าอัญญากณทัญญาเนี่ยได้รู้แล้วหนอรู้แล้วหนอก็ได้ดวงตาเห็นธรรม ก็ได้สำเร็จโสดาบันที <S <s <S <S ่มันสำเร็จในถ้าเหนือก็ไม่ใช่สำเร็จในหัวใจของอัญญาโกลัญญาเนี่ยแม้จะทันทังสีพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมเทศนาโดยปจิณณกธรรมต่างๆนั่นแหละแล้วก็ได้สำเร็จโสดาบัน แล้วก็จึงมารวมกันฟังอนัตตลกนสัสสตรเป็นครั้งที่สองพอจบธรรมเทศนาเนี่ยท่านทั้งห้าก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ที่นี่บรรลุในถรำหรือป่าบรรลุหรือไม่ใช่ใจหรือบรรลุธรรมที่สำเร็จเป็นพระอรหรันต์พระพุทธเจ้าไปสมมต ปาเป็นอรหันต์อะพระพุทธเจ้าเนียสมมุติท่านเป็นอรหันต์ก็ไม่ใช่เพราท่านทั้งห้านั่นละ่ะที่จะสาเร็จตามหัวใจของท่านทั้งห้าเนท่านทั้งห้าก็ได้สำเร็จตามหัวใจของท่านแต่ละองค์ละองค์ถือว่าสิ้นอาสวะกิเลสก็เลยได้เป็นอรหันต์พอได้เป็นอรหันต์แล้วเนี่ย ได้สำเร็จแล้วพระองค์อุปสมบทคือบวชให้บวชก็บวนได้ยากแต่ก่อนพระพุทธเจ้าวบวชบวช ด, ด้วยพระโอษของพระองค์ท่านจงเป็นทิกสุมาเถิดทำมิในของเราได้กล่าวไว้ดีแล้วท่านจงคุดประพฤติพรมหมจรรย์เถิดเท่านั้นเท่านั้นก็สมบูรณ์ ก็ไม่สมบูรณ์ยังไงก็สําเร็จแล้วไม่ได้บวชยากไม่ได้สวดยากไม่ได้สวดยติไม่ต้องรับสินไม่ต้องอะไรยากนนบวชพรับสมัยพระพุทธเจ้าที่บวชครั้งแรกก็เพราะท่านสําเร็จก่อนบวชท่านก็เลยบวชง่ายสิที่นี่ส่วนใจนั่นนะความสําเร็จ ในใจนะนั่นหละคือว่าบวชแทนเรียกว่าบวชนบวชนอกเป็นแต่เพียงมาพูดนิดเดียวแต่บวชนนั้นนะ่ะพระพุทธเจ้าบวชไว้ก่อนแล้วตั้งแต่ท ร, รมาจากกับมวัตนสูตรและกรมมาอนัตตลคณสูตรบวชภายในไม่มีการศึก หาหลาเทศเป็นพอพระ อ, องค์บวชข้างในได้แล้วนะ่ยจบบริบูรณ์ทุกอย่างแล้วนะ่ยพระ อ, องค์ก็จึงให้ไปประกาศพระศาสนาเนะี่ยต่างคนต่างไปและให้ไปด้วยกันอยู่นี่ก็เพราะความเป็นหนึ่งไม่มีความเป็นสองนี่หนึ่งงันเดียว เพราะฉะนั้นน่ะที่นี่เรามาทําใจของเราเนี่ยนะให้เป็นหนึ่งที่นี่ส่วนเป็นหนึ่งเราก็เอาหนึ่งในหัวใจของเราไว้ก่อนเอาความสงบไว้ก่อนเราก็อย่าพึ่งอะไรให้มากครับไม่ใช่ว่าจะไปสําเร็จในป่าในเขาไม่ใช่ว่าจะเอาความสงบป่าเขามาเป็นที่พึ่งของตัวเอง เอาใจของเราเนี่ยให้เป็นหนึ่งเอาใจของเรานั่นให้สงบความสงบมันไม่ได้เลือกสถานที่ที่ภายนอกอย่าไปเลือกเราจะมีเวลาไาหรือภายนอกภายในมันจะไปเลือกอะไรมันเป็นอาการลิโกไม่ประกอบการเวลาไม่ประกอบการรสมัย ได้ทุกสมัยได้ทุกการได้ทุกเวลามันว่าแต่มันสงบได้การนี้สมัยนี้มันก็สงบได้มันจะเป็นอะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้เลื่องแม้แกระทั่งถึงวันนี้ก็อย่าเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ว่าและเวลานี้ก็เป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ว่าสมัยนี้ก็เป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ว่า แล้วแต่ใจของเราจะมีความสงบถ้าเรามีความสงบแล้วนะมันจะไปเลือกอะไรนะมันเว้นไว้แต่ใจของเรามันไม่สงบนั่นเอนะมันก็มีแต่ความกังวลไม่รู้ว่ากังวลเอาอะไรไม่รู้ว่ากังวลอะไรที่ไหนก็ไม่รู้มันจะได้อะไรก็ไม่รู้ แต่เวลามาทำก็มาทำเพื่อความสงบแต่เวลาไปทำก็ไปทำความวุ่นวายให้ตัวเองซะก็ไปกังวลซะที่นี่มันจะไปสงบได้ยังไงจะมันจะเป็นผลลัพธ์ได้ยังไงแล้วมันจะเป็นหนึ่งได้อย่างไงหนึ่งในหัวใจตัวเองก็ยังไม่ได้เราไม่ต้องกังวลหรอก จะสวดมนต์ได้หรือไม่ได้มันก็เรื่องหนึ่งกับคนที่สวดได้เขาก็สวดไปแตแต่ว่ามันสงบหรือไม่ความสงบมันไม่ได้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการท่องบนสาธยายจดจําอะไรหนอความสงบมันเป็นเรื่องของความสงบความจดความจํามันก็เป็นเรื่องของความจดความจํา คนละเรื่องเรื่องของความสงบนี่มันไม่ได้เกี่ยวหรอกแต่เราก็อย่าไปยุ่งกับของภายนอกะนะเมื่อเวลาเราทำนะมั่นใจในสิ่งที่เราทำะนะมั่นใจในความสงบตั้งใจเพื่อความสงบตั้งใจเพื่อความสันติสุขในตัวเองนะ เราอยากไปยุ่งอย่างอื่นสิถ้าเราต้องการความดีในตัวเองนะเพราะความดีมันมีอยู่แล้วนะดีกับชั่วมันมีอยู่แล้วนะเราจะเอาดีหรือเราจะเราจะเอาชั่วนะเวลาเราอยู่ด้วยกันนะเวลาอยู่นะมันอยู่ด้วยกันนะมันมีทั้งสองบางครั้งมันก็ดีบางครั้งมันก็ชั่วนะ มันเป็นอยู่อย่างนั้นนะกัมัวหมองมันก็มีมบางครั้งมันก็สดใสาบางครั้งมันก็สะอาดมันก็มีเขามันนะ่ถ้าเราจะเอาดีในตัวเอาอย่างเดียวยก็เอาสงบเอาความสงบสก่อนเอาให้มันสงบอย่างเดียวนั่นละ่ะก็อย่าไป กังวลก็อย่างอื่นไปส่วนเื่ออื่นนั้นปล่อยมันไว้ก่อนเพราะว่าเราต้องการความสงบเราจะไปกังวลอยู่กับอย่างอื่นที่ในความสงบมันจะอยู่มันจะไปอยู่ตรงไหนมันจะเป็นไปได้ยังไง เรามุ่งประเด็นความสงบซะก่อนมุ่งอย่างเดียวซะก่อนแล้วความสงบมันจะเป็นยังไงถ้าไม่มีประโยชน์พระพุทธเจา้าพระองนก็คงจะไม่สอนคงจะไม่ตัดธรรมะคือการปฏิบัติเพื่อความสงมบขึ้นมาหรอกพระองค์ก็คงจะตัดทิ้งไปได้ อันนี้พระองค์งทรงบัญญัติเอาไว้นีะปัตติย ค, คือความสงบธรรมวิจยะก็สอดส่องแห่งธรรมสติคือความระลึกได้เนี่ยพระองค์ก็บอกไว้หมดในนั้นเี่นะสติความระลึกได้ธรรมวิจยะก็สอดส่องหาธรรม แต่เรากำลังสอดส่องหาธรรมสอดส่องหาความสงบนะปัจฉิก็คือความสงบผนละสุดท้ายก็คือว่าตั้งใจมันนะ่นสมาธิ น, ะนะนี่แต่เพาะองค์บัญญัติไว้แล้วนี่นะตั้งเอาไว้แล้วที่นี่เราท่องได้แล้วแต่เราเป็นไปตามที่เราท่องได้หรือไม่มก็ไม่ได้อีกนะ เ็นอกจากว่าเราจะมาทําเอาเท่านั้นเราทําเอาของมันอยู่กับใจเรา่ะทําทั้งหลายเหล่านั้นอยู่นี่หมดละ่ะสติก็อยู่ตรงนี้ธรรมวิทยะก็อยู่ตรงนี้ปสติก็อยู่ตรงนี้สติปัญญาอะไรก็อยู่ในนี่หมดอยู่ในที่เดียวนี่หมดละ่ะ หาเอาท่านผู้เดียวเนี่ยนะหาเอาท่านอง์เดียวนี่แล้วไม่ต้องไปกังวลหรอกไม่ต้องไปวุ่นวี่วุ่นวายอะไรให้มันมากนะักมันไม่จําเป็นนะ่ะเราพยายามพยายามดูหัวใจของตัวเองเท่านั้นคือมันไม่มีอะไรหรอก ก็คือใจตัวเดียวนั่นละก็ใจตัวเดียวนี่นะมันยากตัวเนี้ยที่ในความกังวลมันก็คือใจกันนอกจากใจมันก็ไม่กังวลความพุ่งสั้นมันก็คือใจกันอกจากใจแล้วมันก็ไม่มีอะไรพุ่งสัน้นความวุ่นวายมันก็คือใจ ก็นอกจากใจแล้วมันก็ไม่วุ่นวายความวุ่นความเกลียดท้านมันก็เรื่องของใจถ้าไม่มีใจมันก็ไม่เกลียดค้านมันก็อยู่อันเดียวน่ะความขยันน่ะความเพียรน่ะมันก็อันเดียวกันนั่นะมันก็อยู่ที่เดียวน่นก็อยู่กับคนคนเดียวนั่นแหะจ้าเหมือนเราน่ยนะ บางทีก็เกิดความขี้เกียจมาอ่าบางทีก็เกิดความขยันมาบางทีก็เกิดรันที่ก็คือความอดทนมาคนเอาก็อยางนี้เราก็สู้มาแล้วไม่ใช่หลือก็รวนนจะธรรมะไม่ใช่หรือก็่ธรรมะมันอยู่ในตัวของตัวเองไม่ใช่หรือสติของเราก็รอบครอบเวลาเราทำ เวลาเรามีความภาคความเพียรจะทำงานทำการอะไรเราก็มีสติ ร, รอบครอบขันติมีความอดความทนต่อสู้กับเหตุการณ์อันที่มันเกิดขึ้นตสติของเรามันก็เพียบพร้อมนะมันก็อยู่กับคนคนเดียวไม่ใช่เลยหรืออยู่ที่ไหนคิดหรือยังเดี๋ยวนี้หรือจะมีจะพากันหาหรือจะท่อง สาวไทยายจดจําให้มันได้มากๆถ้าได้มากแล้วก็จะสาเร็จไปเลยก็เอาสิก็ไม่เปน็นก็ไม่มีปัญหานะเราจะไปศึกษาตามตหรับตําราให้มันสําเร็จได้ก็มันก็ไม่มีปัญหานะแต่มันก็วุ่นวายอีกอ่ะก็เกิดความสงสัยในตํารานั้นทีมันก็แล้วไม่เป็ี่ยนยิง่งอะ ถึงยังไงก็เอาใจของเราไปเลยจะดีกว่าทํายังไงมันจะสงบได้ทํายานปัญญาให้มันเกิดขึ้นทําความสว่างสวัยให้มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในตัวมันเองนะ่ะแล้วก็เกิดขึ้นในความสงบละสิเราก็ดูความสงบละสิดูใจนะนะ่่น ใจของเรามันเป็นยังไงตอนนี้มันมีความฟุ้งซ่านยังไงแล้วมันมีความวุ่นวายยังไงมันมีความร้อนยังไงก็สังเกตดูสิแล้วมันสงบหรือไม่สงบก็สังเกตดูสิเรื่องความสงบไม่ต้องถามใครหรอกถามันสงบนะมันมีอาการเบาตนเบาตั ว, เ บ, ตวเบากายเบาใจ แล้วก็มันก็มีความสุขความเยือกเย็นในจิตในใจของตัวเองอ่ะมันรู้แล้วนะมันแสดงแล้วนะมันบอกยี่ห้อมันบอกแล้วคือมันบอกในตัวมันแล้วนะก็มันมีในตัวของมันอย่างนั้นเราจะไปถามใครที่นี่เราจะไปเอากับใครทีนี้เราจะไปแลกเปลี่ยนกับใครแลกเปลี่ยนไม่ได้ที่นี่ความสว่างะ่ะ ถ้ามันสงบมันเกิดของมันเองเนี่ยมันเกิดในตัวของมันนั่นอ่ะถ้ามันสงบแล้วมันเกิดในตัวมันเมื่อมันเกิดมันจะรู้อะไรน่ะที่นี่มันหาอะไรมันก็หาบุญในตัวไม่ใช่ดูืต่อนเมื่อมันเห็นบุญล่ะมันรู้บุญล่ะ เมื่อมันเห็นบุญในในตัวเองมันเห็นบาปเออมันก็เห็นความดีในตัวเองมัน ก, ก็เห็นบาปในตัวเองเท่านั้นพอเห็นบุญแล้วมันก็เห็นบาปพอเห็นความดีแล้วมันก็เห็นความชั่วนะที่นี่มันจะไปทางไหนที่นี่พอมันเห็นอย่างนั้นแล้วนะที่นี่มันก็จะต้องละชั่วก่อพุทดี มันก็ไปตรงนั้นนีกสิก็เมื่อมันเห็นดีแล้วน่ยมันจึงจะปฏิบัติดีได้ตามความดีอันที่มันเกิดขึ้นในตัวเองนั้นแล้วก็ละความชั่วอันที่ตัวเองได้ปรากฏนั้นแล้วมันเกิดขึ้นเพราะอะไรและสาเหตุมันมาจากไหนแล้วต้นเหตุแห่งความชั่วมันอยู่ตรงไหนมันก็จะได้ค้นหากันเราจะมาตัดตั้งแต่ปลายมัน แต่ต้นมันละ่ะก็ไม่ได้เข้าไปดูถ้าเรามีความสงบเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูได้มันก็เห็นได้เห็นต้นเหตุต้นเหตุของความดีต้นเหตุของความชั่วต้นเหตุของบุญต้นเหตุของต้นเหตุที่จะให้เกิดบุญแล้วก็ต้นเหตุของบาป แล้วต้นเหตุที่จะให้เกิดบาปนะมันอยู่ในตัวมนะันอ <c oughs> ่ะทีนี้เราจะไปค้นในตำราเท่นั้ตาานตำราเนะี่ะเล่มนั้นว่าอย่างนั้นอยู่หน้านั้นแล้วก็อยู่ในระหว่างแถวนั้นมีกี่แถวเนะ่เราก็จะไปรู้ได้แต่เฉพาะนั้นลนะ่ะบาปโบราณเขาเขียนไว้นะชัดเจนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แต่ส่วนใจของตัวเองล่ะ ที่ได้ไปรู้อย่างนั้นนะมันจะละได้หรือไม่นะก็ได้แใจจำเท่านะั้นจําตําราอยู่หน้านั้นหมายเลขเท่านั้นและเล่มนั้นและก็อยู่แถวนั้นแล้วจดออกมามันก็ได้แต่ว่าใจของเรานะ่ยมันจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่อันนี้หาได้คิดไม่ เพราะฉะนั้นนะเรานะควรที่จะสนใจให้มากบ้านเมืองมันกําลังวุ่นวายและความวุ่นวายของบ้านเมืองคําว่าบ้านเมืองมันกหมายถึงว่าตัวทั่วไปแล้วก็รวมเราเข้าไปด้วยนะไม่ใช่ว่าแต่เขามันวุ่นวายนะ เราพยายามจับความสงบเอาไวนะ้เลี้ยงน้ำใจของตัวเองไว้ก่อนก่อนที่มันจะหายความวุ่นวายจะหายความยุ่งยากระยะนี้มันกำลังยุ่งยากอะไรมันกระป่วนปั่นกันไปหมดแล้วมันใครทำขึ้นมันก็มนษะนะุษย์นั่นแหะทำขึ้นเอง มันก็ไม่มีใครหรอกจะทำขึ้นก่มนุษย์ต่อมนุษย์เนี่ยทำขึ้นมาเองที่ได้เราหาความสงบสักตอเมื่อเขาหามาแล้วต่อเมื่อมันมีมาแล้วมันก็ต้องวุ่นวายเาว่ามันวุ่นวายขึ้นมาแล้วเราจะไปทำยังไงนะมันก็ทำอะไรไม่ได้มันก็มีอย่างเดียวก็คือว่าสงบเท่านั้นอก ถ้าพงได้ก็พงแย่เป็นสู้ก็สู้ไม่ได้ก็สู้ไปก็สู้ไปอย่างนั้นนะ่ะแต่ผลสุดท้ายนะ่ะกลงซะนั่นนะ่ะเอาวางแล้วแต่มันจะเป็นเพราะฉะนั้นเราเอาความสงบนี่เอาไว้ให้ดี เอาใจของเรานี่เราให้สงบเท่านั้นอะยังอื่นไม่ให้หรอกไม่รู้จะเอาไปทำใหม่ <c oughs> เรื่องความร่ำความรวยนะ่ะร่ำรวยวันก็นลำบากอีกหละมันก็ยากอีกหละเราเอาความสงบไปก่อนก่อนที่จะร่ำรวยนะ่นถ้ามันสงบมาแล้ว มันร่ำรวยมามันก็ไม่มีปัญหานะมันสามารถระ ง, งับยับยัง้งชังจิตของตัวเองได้แล้วมันก็ไม่ได้ดิ้นรนกับสิ่งที่มันได้มาแล้วมันก็ไม่ได้ทํากบนกไไวให้มันมีปกติเหมือนก็มาไม่ได้แต่ความดีใจเป็นของธรรมดาก็มีเท่านั้นทีนี้มันก็สบายที่ไหน ถ้ามันไม่ร่ำรวยเราก็รวยภายในเจนี่แตรวยภายในก็คือใจเรามีความสุขตลอดใจมันอิ่มตลอดใจมันรวยอยู่ตลอดเราก็คิดเอาอย่างนี้เถอะไหนๆเราก็เกิดมาแล้วนะเกิดมาแล้วไปไหน่ะเราจะไปไหนเกิดมาแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไปไหนนะ มีเกิดแล้วมันก็มีความแปรปรวนในทํามกลางแล้วก็มีความแตกลับเป็นที่สุดนี่พระพุทธเจ้าบอกพอมันมีเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็ได้เกิดมาแล้วผลสุดท้ายก็ตายกันทั้ง น, นะนั้นนี้พ้นหรอกรวยก็ตามเถอะจนก็ตามเถอะจะพ่อพันกลางก็ตามเถอะไม่พ้นหรอก จะเลิศประเสิอะไรมาจากไหนก็ตามแบบนี้ไม่นคิดเอาอย่างนี้ก็พอนะทำยังไงเราจะเป็นสุขเทนะ่านั้นก่อนที่เราจะลงเอ่อยในบนปลายเอาแค่นี้นหละดีเอาอย่างนี้ดีหาความสุขไว้สุ ข, ขวอนที่จะถึงบรรไดไปเพราะ ม, <c oughs> มันเกิดมาแล้วเนี่ ก็มันเกิดมาแล้วมันหนีได้หรือมันหนีไม่ได้หรอกหนีอันนี้จังนะ่ะหนีแก่หนีเจ็บหนีตายหนีไม่ได้หรอกหาความสุขไว้เถอะในระยะกําลังจะแก่อยู่นี้แหละ <c oughs> นี่หาความสุขหาความดีเอาไว้แก่ก็เก็บมันอยู่ด้วยกันนั่นแ่ะ มันก็แยกกันเฉยๆหรอกแยกคำพูดมันพูดคำเดียวไม่ได้ถ้ามันแก่แล้วมันก็ต้องเจ็บละลุกโวยนอนโอยวยละต้องเจ็บความปวดมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรลนะ่กรกกนะก็ตั้งแต่แรกเกิดความแก่ก็ต้องแต่แรกเกิดที่ในความตายในะวันสุดท้ายเนะี่ยหมดลมเราจึงถือว่าหม ด, หมด เราจึงถือว่าตายอันนี้มันเป็นของแน่นอนกับชีวิตเราทุกคนนะอย่าไปว่าคนใดคนหนึ่งไม่ได้จะมีเฉพาะคนใดคนหนึ่งไม่ได้หนึ่งเราหนึ่ง เ, น ง, เงเราจะนั่ น, นะ น, นหน่หนึ่งเราสองเราจนั่นน่ะมันจะไปไหนไม่ได้เพราะความตายมันอยู่กับเราเอง เรียผาความสวยเรียผาความสงอบอ่ะอย่างอื่นไม่อยากให้ทำเท่าไหร่หรอกอยากให้ได้ความสงอบอ่ะถ้าสงบแล้วมันเป็นสุขกว่ะถ้ามันเป็นสุขแล้วมันปลงได้เอามันยังมีส่วนวางได้บ้างเนี่ยเก็บมามันก็ยังไม่ได้ตีโพยตีโพยที่าไปเป็นอะไรมามันก็ยังมีข้อคิดลงไปถ้ามันสงบสุขเลย ที่นี่ถ้ามันไม่สงบสุขนี่นะมีธรรมะเท่าไหร่ก็มีไปเทอท่องบนสาธยายมาเท่าไหร่ก็ท่องบนมาเทอะมันระงับยับยั้งหัวใจตัวเองไม่ได้เลยนี่มันเป็นอย่างนั้นนะมันสู้ความสงบไม่ได้แม้แต่เราแตกตายทำลายขันะ อันนี้มันเป็นของแน่นอนนะแตกตายทำลายขันนี่เป็นแน่นอนนะผู้ที่อยู่ข้างในนั้นจะไปไหนถ้าเขามีความสุขไว้แล้วล่ะสุขคตนะิมันก็ต้องเป็นผู้เสด็จไปดีดเสด็จไปไหนก็ไปสู่สุขคตินั่นล่ละ ก็เพราะวันศุกร์แล้วนะนี่เราต้องการอะไรที่เราทำกันอยู่ถ้าไม่ต้องการสิ่งนี้นะอย่างนี้นะก็ไม่รู้ว่าจะมาทำกันทำไมที่เราทำเราก็ต้องการอย่างนั้นอยู่แล้วนะเสียสละเวลามาเพื่อฟังเทศฟังธรรมเพื่ออบรมจิตใจของตัวเองที่จะให้เกิดความสงบต่างมันเป็นสมาธิ แล้วก็เพื่อความสุขของตัวเองเมื่อเวลาแตกดับไปแล้วมันจะได้ไปสู่สุขติบางความหมายมันไปอย่างนั้นไม่ใช่ว่าจะไปหาแต่ความรู้นะจะให้รู้หมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกจะไปให้ท่านบอกไว้หมดหัวข้อธรรมะทุกหัวข้อเนะี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเราก็จำไม่ได้อีกมีอย่างเดียวคือรวมสงบ รวมความสงบอันเดียวพอแล้จะเป็นก็ตามจะตายก็ตามดีก็ตามร้ายก็ตามขอยสงบและความสุขอันมันเกิดขึ้นจากความสงบดัน้นนั้นล่ะเป็นคุณสมบัติอันยวดยิ่งเป็นของที่ยิ่งใหญ่เป็นบารมีอันยวดยิ่ง นี่หละที่เราท่านทั้งหลายซึ่งมีความต้องการที่ได้พากันมากระทำธรรมะที่ได้บรรยายมานี้ขอให้ท่านทั้งหลายนะั้นจงได้พากันกำหนดและจดจำนำมาไปเป็นข้อคิดคิดเดิ น, นาของตัวเองแล้วให้พากันประพฤติปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนดังที่กล่าวมาเนะี่ะไม่ได้ไปทำอะไรมากก็คือนัก อันนั่งเนี่ยมันยากจะแท้แน่เลยนั่งนิดเดียวก็เหมือนกับว่ามันจะจะเป็นจะตายนะเวลาทำอย่างอื่นทำได้หมดวันหมดคืนนะเวลาไปนั่งเนี่ยแค่ห้านาทีเท่านั้นมันใจจะขาดแล้บางครั้งสิบนาทีเท่านั้นยากนะนี่ทนเราหน่อยนะนอนนั่งก็เพื่อรู้จักความสุขอันที่มันจะเกิดผลประโยชน์จะเกิดขึ้นจากตัวเองบ้างนั่นแหละ ถ้ารู้อย่างนี้เราก็นั่งในนัาดังที่ได้พัฒ น, นามาก็ ส, าสมควรแจกกระเวลาพอยุติเอาไว้แจเพียงเท่านี้เอว่างก็มีโดยเปรการะชนี